บุกทูสามสิเก้าทริเด็กรถเสียออโต้พานเปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะคียสตัสละเพลยพรอกซิมาเบนซิน่ ย, ยางรถของดิฉันแบนค่ะ มีหวัสมัลชเวลินตันแหนวนเปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะชูวิปหวัสชันจิลแหนวนดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซล 2-3 ลิตรค่ะมีเปโซนส์แล่เกินลิตรนึง ด, ดีเซล a อ r e a d y ดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะมีนัปรูหวัสเบนซินน์ คุณมีแกลอนน้ำมันไหมคะชูบิฮาวัสคนิสตรนดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะที่ยังมีโทรัเลฟดิฉันต้องการรถลากคะ่ะมีเบโซนัสอัลตเทรนันเซรน์นดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถคะ่ะมีเซรชัสริปเปเรยน เกิดอุบัติเหตุออคซิดนต์ออคาซิสตูโทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะค u i e s t ตาสลาเพลพร็อกซิมาเทเลโฟคุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะชูวิฮาบัสคุณวีโพชเทเลโฟนน์เราต้องการความช่วยเหลือคะ่ะนี่เบอร์สำหรับเฮล ตามหมอให้ทีค่ะเรียกตำรวจให้ทีค่ะขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ me, ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ